พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสันสนีสนทนากันอีกครั้งหนึ่งนะคะทางสถานีวิทยุเอครอบครัวข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเราก็มาพบกันเพื่อที่จะทั้งท่านและดิฉันเลยนะคะเข้าถึงสิ่งที่พุทธพงศ์ได้ตรัสสอนเอาไว้มากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติทำร่วมกันตั้งแต่ตอนต้นของรายการเลยก็จับจ้องกันให้ดีแล้วกันนะคะเพราะว่าทันทีที่ดิฉันได้ นำมาสการพระคุณเจ้าที่มาสอนพวกเราก็คือพระมหาภัยบุญอภิปุณโนจากวัดปาดอนหายศสอุดรธานีแล้วเนี่ยท่านก็จะทักทายเราไม่กี่คำแล้วนะคะหลังจากนั้นท่านจะนำเราปฏิบัติธรรมพร้อมกับให้เราฟังคำสอนของพระาศาสดาคือฟังธรรมหรือที่เราเรียกว่าพุทธพจน์พุทธวจนะนี่แหละนะคะตอนนี้ก็คิดว่าท่านคงพร้อมที่จะพบกับพวกเราแล้วไปกราบนมัสการ ท่านอาจารย์ไพยบูรลนะคะพระมหาไพยบูรลอภิปุลโนค่ะน้มักการกระท่านค่ะเจริญพรในการปฏิบัติธรรมก็เริ่มจากการที่เรากําหนดนะกําหนดในที่นี้ก็คือตั้งสตินั่นเองการตั้งสติเราใช้ลมหายใจลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดานี้แลเรากําหนดรู้นะกําหนดรู้ที่ไหนพระเจ้าได้บอกถึงที่เรียกว่าทางเข้าทางออกของลมหายใจแต่ก็เรียกว่าปริมุขขัง ในหมายถึงในโปรงจมูกกรอนนั่นแหละในบริเวณทางเข้าทางออกในตรงนี้ตรงไหนก็ได้ในบริเวณทางเข้าทางออกเนี่ยที่ถ้าเรารับรู้ถึงสัมผัสที่ไหนก็เอาไว้ที่ตรงนั้นพระเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับนายทวารหรือว่ายามที่เขาเฝ้าประตูในเวลาที่ยามเขาตรวจตรารถที่เข้ารถที่ออกเนี่ยเห็นว่าเขาก็จะเดินอยู่บริเวณทางเข้าทางออกตรงนี้นะสักจุดใด จ, จุดหนึ่งนะที่งานเขาจะดําเนินไปได้เช่นเดียวกันที่ เราเวลามาสังเกตลมหายใจนะให้ใช้จุดเดียวที่เราจะมาระลึกถึงลมหายใจรับรู้ถึงสัมผัสนี้ได้ที่ตรงไหนนะให้เอาจิตของเราจดจ่อไว้ที่ตรงนั้นโดยไม่ต้องตามลมโดยไม่ต้องบังคับลมลมมันจะสั้นหรือมันจะยาวมันจะเร็วหรือมันจะช้ามันจะเข้ารูเดียวออกสองรูหรืออย่างไรก็ตามนะให้มันเป็นธรรมชาติของมันไปในที่นี้เรากาลังฝึกจิตนะให้อยู่กับลมหายใจ เรไม่ใช่ประเภทไหนแต่เราก็ให้จิตของเรามามีสติอยู่ได้ในขณะที่เรามามีสติอยู่นี้ น, นยกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมละเรียกว่าเป็นการประพฤติชอบเป็นการสร้างกุศลเป็นการบําเพ็ญบุญเร า, าใกล้ครวญถึงคําที่พูดถึงว่าการสร้างกุศลการบําเพ็ญบุญการประพฤติชอบการประพฤติสม่ําเสมอเนี่ยมีในสมัยหนึ่งที่พระเจ้าประสิทธิโกศ น, นั้นได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชมุมพิทวีป แล้ น, นั้นก็เป็นช่วงท้ายสมัยพุทธกาลแล้วนั่นก็ได้เข้าไปหาพระรูธเจ้าแล้วก็สอบถามว่าเอ๊ยยังมีกิจอันใดแสําหรับราชาหมากษัตริย์ที่ได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งขนาดนี้แล้วลในที่นั้นพระเจ้าก็ได้ตรัสกับพระเจ้าเปรเซนิโกศลนอย่างนี้ว่าหมาบพิษพระองค์จะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรณที่นี้ถ้าข้าราชการของมหาอบพิษ ผู้ที่ควรเชื่อถือได้มีวาจาเชื่อถือได้มาจากทางที่ตะวันออกเขาเข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลว่าข้าพเจ้ามาจากทางที่ตะวันออกในที่นั้นข้าพเจ้าได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆที่กําลังกลิ้งบทพวงสัตว์มาสิ่งใดที่พระองค์จะพึงทรงกระทําก็ได้โปรดกระทํำเสถ่ในลําดับนั้นข้าราชการคนที่สอง มาจากทางทิศใต้ข้าราชาการคนที่สามมาจากทางทิศตะวันตกและข้าราชการคนที่สีมาจากทางทิศเหนือเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีวาจาเชื่อถือได้เข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลว่าข้าพเจ้ามาจากทางทิศใต้ใตทิศตะวันตกและทิศเหนือในที่นั้นข้าพเจ้าได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเตยมเมฆ กำลังกลิ้งบทพวงสัตว์มาสิ่งใดที่พระองค์จะทรงกระทาก็ได้โปรดกระทาเสถ่ิดหมาปพิษครั้นเมื่อมหาภัยอันร้ายกาศที่ทำให้มนุษย์พินาศใหญ่โตถึงเพียงนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่พระองค์จะพึงทรงกระทาในภาวะแห่งมนุษย์ที่ได้แสนยากนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญ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 แล้เมื่อความแก่และความตายครอบงำพระองค์อยู่อะไรจะพึงเป็นกิจที่หมาบพิษจะพึงกระทำข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อความแก่และความตายครอบงำหม่อมฉันอยู่กิจที่หม่อมฉันจะพึงกระทําในภาวะแห่งมนุษย์ที่ได้แสนยากนี้นอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติสม่ําเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการบำเพ็ญบุญ ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญการรบด้วยกองผลช้างกองผลมา้ากองผลรถและผลเดินเท้าย่อมมีแก่พระราชาผู้เป็นกษัตริย์ผู้ได้รับมรดภาพิเศษแล้วแต่เมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่สิคติวิสัยแห่งการรบด้วยกองผลเหล่านั้นไม่มีเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในราชสกุล น, นี้มหาอมาตย์ผู้มีมน ซึ่งสามารถจะใช้มนทำลายค่าศึกที่ยกมาก็มีอยู่เหมือนกันแต่เมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่สิคติวิสัยแห่งการรบด้วยมนแมเหล่านั้นไม่มีเลยก็<อ>ในราชสกุลนี้เงินทอง ท, งทั้งที่อยู่ในพื้นดิน ท, ทั้งที่อยู่ในอากาศซึ่งพวกหม่อมฉันสามารถจะใช้เป็นเครื่องมื อ, อยุยแย่ให้ค่าศึกที่ยกมาแต่กัน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 ถูกแล้วถูกแล้วหมอภัยพิษถูกแล้วถูกแล้วก็เมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่ไรเล่าจะบึงเป็นกิจที่พระองค์ควรจะกระทำนอกจากการประพฤติทธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการบำเพ็ญบุญเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำนี้เสร็จแล้วก็ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าผูเขาหินศิลาใหญ่ สูงเตียมฟ้ากลิ้งบทปวงสัตว์มาโดยรอบจากทั้งสีทิศแม้ฉันใดความแก่และความตายก็ฉันนั้นมันย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกกษัตริย์พวกปรามพวกแพทย์พวกสูตรคนจันทานและคนเทขยยมูลฝอยไม่เว้นใครๆไว้เลยมันย่อมย่ำยีเสียสิน้นในที่นั้น ไม่มียุทธภูมิสำหรับผลช้างผลมา้าไม่มียุทธภูมิสำหรับผลรถไม่มียุทธภูมิสำหรับผลราบและไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยการรบด้วยมลหรือด้วยทรัพย์ประเด็นนั้นและบุรุษผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งสีตษาไว้ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจบัณฑิตตั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเดียวผู้นั้นลาโลกนี้ไปย่อมบรรเทิงในสวรรค์อันนี้คือประสูนต์ที่ให้ใคร้ครวญในการปฏิบัติของเราเจริญพอด ค, ค่ะทุกค่ะในเรื่องนี้พระเจ้าก็ได้ตรัสกับพระเจ้าพระเศสนิโกรนตอนนั้นก็เป็นช่วงสมัยท้ายสมัยพุทธกาลแล้วตอนนั้น พระเาก็จะอายุ80ละค่ะก็ท่านฟังที่ครบคะ่ะนั่นเป็นการที่ท่านเพรียวนะคะได้ยกเอาพระสูตรมาประกอบกับ ก, บการที่ให้พวกเราทําสมาธิกันแล้วก็เป็นเรื่องครั้งพุทธกาลในห่วงเวลาที่สําคัญซะด้วยนะคะใช่คือเป็นช่วงปลายของชีวิตของพระชนชีพของพระพุทธเจ้าของเราคะ่ะเอ่อข้อสังเกตอันหนึ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ย อายุเท่ากันกับพระเจ้าเปรสเซนทิโกศล น, นะคือเกิเกดคนละวันกันแต่ว่าอายุปีเดียวกันเพ <Okay. S 1> นะราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยช่วงท้ายสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเจ้าเปรสเซนิโกศนก็กรองความเป็นหญ่ยิ่งทั่วจุลปุวีปแนะมีครั้งหนึ่งเคยมาบอกกับพระรุจ้าว่าหมอมช่าอายุ80ดร้องก็อายุ80เหมือนกันนะก็คือช่วงนี้แหละที่ว่ามีครองความเป็นใหญ่ยิ่งแล้วก็มาถามว่าควรจะต้องทําอะไรต่อไปอืมค่ะ ข, ข้อสังเกตในที่นี้อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะคุณยมติว์ถ้าเราจะพูดถึงว่าการที่เรากลัวภัยพิบัติอะไรต่างๆที่อย่างแผ่นดินไหวหรือเราดูหนังเนี่ยโอ้โหมันเหมือนจริงมากเลยโลกมันจะแตกมันจะอะไรอย่างเงี้ยเราพูดถึงอเมรกดันที่ว่าจะมีอะไรมาทําให้โลกมันอยู่ไม่ได้โลกแตกอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกันเลยนะเหนที่พระเจ้า ย, ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยอุปมาปมาอเนี่ยนะว่ามันมีเหมือนกับภูเขาหิน นะใหญ่มากนะลองคิดดูสมมติผู้เขาใหญ่ๆเงี้ยมันเคลื่อนที่เข้ามาบึมบึมบึมมาหาเราเงี้ยโอ้ยหลบไปทางไหนก็ไม่ได้เลยมันบี้หมดทุกอย่างเงี้ยแล้วจะหนีไปทางไหนล่ะมันหนีไม่ได้เลยเนีย่ยค่ะอืมแล้วก็แล้วก็เป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าเป็นภัยพิบัติที่ทําอะไรไม่ได้นะจะหนีไปไหนล่ะปีนขึ้นอะไรมันก็บี้หมดนะจะหนีไปทางไหนก็ไม่ได้นะต้องคือตายอย่างเดียวนะว่างั้นนะค่ะอ่าก็เลยทํำให้ พระเจ้าเปสนที่โกศลเนี่ยก็ได้ตอบว่า อ, อควรจะต้องประพฤติธรรมนะเพราะว่ามนุษย์นี่มันได้ยากนี่ต้องประพฤติตามประพฤติสม่ำเสมอสร้างกุศลบำเพ็ญบุญตรงนั้นค่ะซึ่งท่านก็คิดได้เองใช่ใช่จากคําถามซึ่งเดี๋ยยังคิดว่าคนเรานี่อาจจะอาจจะคิดไม่ได้เร็วเท่าท่านพระเจ้าเปเสนที่โกศลเอออันนี้มันมีข้อที่เขาอธิบายกันเพิ่มเติม <ๆ S 1> ขึ้นมาแนละ้วว่าพระเจ้าเปเสนที่โกศลเนี่ยจริงๆ ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้านะคือเป็นโพธิสัตว์อ๋อค่ะอ่าเราก็สั่งสมความรู้สั่งสมบุญบารมีอะไรต่างๆเพื่อที่จะปรารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ ะ, ะเพราะนั้นก็ต้องมีปัญญาระดับหนึ่งพอสมควรละเนาะค่ะในะคาทิชชอบท่อนท้ายค่ะที่บอกว่าพระผู้มีพระภาค พ, พระสุคตศาสดาการตรัสพยากรภาสิทธินี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่า ภูเขาใหญ่แล้วด้วยศิลาจดท้องฟ้ากลิ้งบทสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศแม้ชันใดชราและมัจจุกก็ฉันนั้นย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกกษัตรพวกกรามพวกแพทย์พวกสูตรพวกจันทานและคนเทมูลฝอยและเราดิฉันขออนุญาตเติมนะคะไม่เว้นใครๆไว้เลยย่อมย่ำยีเสียสิ้นณนะที่นั้นไม่มียุทธภูมิสาหรับพลช้างพลมา้า ไม่มียุทธภูมิสําหรับผลรดไม่มียุทธภูมิสําหรับผลราบและไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยการรบด้วยมนหรือด้วยทรัพย์เพราะฉะนั้นแลบุรุษผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจ บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเถียวผู้นั้นละโลกนี้ไปย่อมบันเทิงในสวรรค์ปกติคถาท้ายพระสูตรเนี่ยก็จะที่จะเป็นการรวบรวมเนื้อหาที่อยู่ในเรื่องทั้งหมดตรงนี้ค่ะมันจะมีความงดงามอยู่ในทางภาษาบาลีเขาอยู่ค่ะแล้วดิฉันเชื่อว่าถ้าเราไม่กลัวแล้วเราอ่านตามจริงๆ อ่านหล า, หลายรอบนี่ยิ่งอ่านยิ่งไพเราะนะคะใช่ใช่อันนี้เห็นชัดเจนเลยตามทุกโรงพยาบาลนะทุกโรงพยาบาลตอนให้คุณเออเอาเอาอะไรล่ะเอาทหารมาคุมเอาตำรวจมาคุมอะ่ะแม้คนมันจะตายมันห้ามกันไม่ได้นะคนที่ถึงอายุไขก็ต้องตายอยู่ดีนะ ร, ราชามมากษัตริย์องไหนาก็เขาก็มีกองพลเยอะแยะแต่พอถึงความตายมาถึงปุ๊บก็ก็กั้นกันไม่อยู่อย่างเงี้ คิดตามยิ่งน่ากลัวนะคะเพราะทิ่ฉันเชื่อว่าบางทีสมมุติอย่างเงี้ยเกิดมีสถานการณ์อะไรที่มันเป็นอุบัติภัยเป็นภัยธรรมชาติปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็คิดอย่างอื่นไม่ออกเลยจากตัวอย่างอื่นๆที่ผ่านมาว่ามันจบอย่างเดียวคือด้วยความตายแน่นอน อ, อะไรเงี้ยนะคะอจะมาตั้งหลักตั้งจิตตั้งใจตั้งรับแบบมีสติเพื่อที่จะให้ จิตสุดท้ายไปด้วยดีคงจะก็ไม่ง่ายนะคะก็ต้องใช้สติคือใช้สติกําลังอย่างมากทีเดียว ค, คือคือฉันจะบอกว่าไม่ง่ายเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ยากเหมือนกันนะนนเพราะ<อ>มั น, มน<อ>เป็ น, เ ป, นเป็นโอกาสความน่าจะเป็น น, นั้นเองคุณยมเตียวสมม ต, วมมตวิว่าจิตเราเนี่ยมันจะออกหัวออกกายเอาแค่นะั้นพูดง่ายๆนะมันะจะหล่นไปตรงที่คิดดีหรือหล่นไปตรงที่คิดไม่ดีทีนี้ว่าถ้าส่วนใหญ่จิตของเราเนี่ย เป็นจิตที่มีความคิดในทางหลีกออกจากกามคิดในทางไม่พยาบาทคิดในทางไม่เบียดเบียนอยู่เป็นปกติแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่มันจะตกลงไปในแดนดีๆเนี่ยมันก็จะมีมากกว่าเข้าใจไหมการพูดดีคิดดีทดําดีเราทําอยู่ประจำเนี่ยก็ให้สบายใจได้ระดับหนึ่งแน่ค่ะงั้นสมมุติว่าเราจะตั้งหลักตั้งรับแล้วไม่อยากที่จะมีอะไรที่ทําให้เราต้องรู้สึกว่ามันมากเกินกําลังที่จะทํา เป็นเทคนิคสั้นๆจะได้เตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาเพื่อที่จะใช้เนีคะเมื่อถึงเวลาในพระสูตนรนี้ในพระสูตนนรตนี้เขาบอกชัดเจนนักบุชาบอกว่าก็อาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยตั้งสตาไว้ตรงนี้นะแล้วก็มีปกติพระพุติธรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจแค่นี้เองจบเลยเราจะสบายใจได้เท่ากับ ว, ว่าท่านก็บอกให้ตั้งหลักนานสิคะเพราะว่าพูดถึงว่ามีปกติ ต้องคิด้วยกาย<ช>ด้วยวาจาใจอันนี้คงไม่ใช่เฉพาะหน้าแล้วค่อยนึกโอถ้าเราทําอย่างนีน้เราพูดประมาทนะคุณยมติว๋วค่ะคือคือถ้าสมมติเราทําชั่วทําไม่ดีพอถึงจังหวะว่าเราจะตายมันจะเข้าได้เขาเ ข, าเข็มเพ่งจะมาคิดดีเนี่ยออันนี้ประมาทประมาทมากค่ะวันนี้ดิฉันถูกสัมภาษณ์เสียวรนถึงเรื่องเกี่ยวกับการทํางานนะคะแต่ก็พูดถึงว่าอ่าเราจะใช้การสื่อสารให้เกิดประโยชน์ในโอกาสที่ จะมีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยดีได้อย่างไรในยุค ป, ปัจจุบันนี้ดังนังก็นึกถึงเทคโนโลยีที่ทำให้ใครก็ได้เป็นสื่อด้วยตัวเองและใครก็ได้นี่อาจจะหมายถึงคนที่ไม่เข้าใจว่าพลานุภาพของการสื่อสารเนี่ยอาจจะส่งผลร้ายได้ถึงสุดๆอย่างชนิดที่เราคิดไม่ถึงได้นอกจากผลทางด้านบวกกับอีกอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าสมมุติว่ามันมีคนสือมลชนอื่นอ่นอันนี้เราเป็นสถานการณ์สมมตินะคะอาจจะจับบางแง่บางมุมที่อคติของคนทําข่าวนั้นๆมีความเชื่ออยู่มันก็เป็นอันตรายด้วยเหมือนกันเนี่ยเลียบอดฉันคิดไม่ออกจริงๆในโลกปัจจุบันนี้ว่าถ้าไม่ทําให้คนเนี่ยกลัวหรือว่าทาให้คนรู้ถึงเรื่องกุศล ว่าเป็นเช่นไรที่ทําและมันเป็นอกุศลอย่างรุนแรงเช่นใดถ้าหากว่าเราสื่อสารออกไปแบบผิดๆนะคะที่ฉันคิดไม่ออกจริงๆว่าจะมีอะไรที่ดีกว่าการให้คนรู้ทำแล้วก็คิดมีสติก่อนที่จะทําอะไรไปอืมอมืเห็นด้วยเห็นด้วยออก็คงจะเรื่องคล้ายๆกันแบบนี้นะใช่ใช่คือสติเนี่ยจะเป็นตัวที่ควบคุมเนืกายวาจาใจของเราทั้งหมด แล้วโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีอํานาจหรือว่ามีเครื่องมือเนี่ยหรือว่ามีก็เรียกอิทธิพลในการอาจจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยิ่งถ้ามีสมาธิมีความควบคุมด้วยสติที่เป็นสัมมาสติเนี่ยอันนั้นผลก็จบมาดีแน่ค่ะและดิฉันคิดว่าอย่างกระสูตรที่ท่านอาจารย์เอามาให้ฟังในวันนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าครอบคลุมในเรื่อง สิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติแล้วก็เผชิญหน้าบนโลกใบนี้รอบด้านรอบเรื่องทุกเรื่องเลยก็ว่าได้ใช่ใช่แต่แปลกอะคะ่ะท่านคะบางทีเราก็เห็นเนี่ยโลกทุกวันเนี่ยคือเราก็ปฏิเสธที่จะไม่พูดทางโลกไม่ได้นะครับว่าแล้วก็เห็นก็ททำอะไรกันลืมอะค่ะลืมลืมว่ า, วาสุดท้ายไม่มีอะไรจริงๆอืมอืมใช่แล้วในในที่นี้เนี่ยในกลับมาถึงประเด็นเรื่องของพระสูตรนี้เนี่ย มีจุดหนึ่งที่พระเจ้าปเสนีโกศลพูดตรงนี้ก็คือเรื่องของการใช้มนดำนะมนดำในการที่จะทำลายค่าศึกที่ยกมานะซึ่งเราอาจจะเห็นว่าบางคนเนี่ยไปฝึกเวทมนต์ฝึกคาถาอะไรสักอย่างได้อย่างหนึง่งปลุกเสกนั่นนี่แตนะ่พวกนั้นก็ไม่พ้นความตายเหมือนกันก็ตายอยู่ดีมาอมาดที่ทำมนได้ก็ตายอยู่ดีค่ะแม้เงินทองทั้งอยู่ในแผ่นดินทั้งอยู่ในเวหา ซึ่งพวกหมอมชันสามารถจะใช้เป็นเครื่องมื อ, อยุแย่ให้ค่าสึกที่ยกมาแตกกันก็มีอยู่เป็นอันมากใช่ใช่แต่ก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยอพอสุดท้ายก็เมื่อชาราโมระครอบครอบงำกติวิสัยแห่งการรบด้วยซับเหล่านั้นไม่มใช้ไม่ได้ตุตใช่ไะ ซ, ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ได้มีอยู่ไหมมีคือถ้าเราจะสังเกตว่าการรบเนี่ย เช่นว่าใช้กองพลช่างกองพลมาพวกนี้ด้วยสัตราหรือว่าการรบด้วยเงินเดีวคุณเอาเงินยัดคุณใช้เวทมนต์พวกนี้คือด้วยอาทยาหรือด้วยสัตราทั้งสิ้นแต่ว่าการรบนะที่พระเจ้ากำลังบอกว่าคุณกําลังสู้กับความแก่ความตายสู้กับกิเลสเนี่ยเป็นการรบที่ไม่ได้ใช้อาวุธพวกนั้นเดีไม่ได้ใช้สัตราไม่ได้ใช้ใชอาทยาแต่ว่าใช้ธรรมจักนะคือจักคือทำอันประเสริฐในการรบตรงนี้เดซึ่งไม่ได้เบียดเบียนใครเลยเดตัวเราก็ดีคนหนึ่งก็ได้ดีด้วย ค่ะซึ่งถ้ามิตรเังฟังก็คิดไตรตรองอ ต, รตรึกตามกันแล้วกันนะคะว่าเรื่องแบบเนี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องพ้นยุคพ้นสมัยแล้วก็บางคนอาจจะบอกว่าไม่สามารถเอาธรรมะมาอธิบายในเรื่องทางโลกได้แต่จริงๆแล้วสําหรับคนที่เห็นคุณค่าเนี่ยฉันคิดว่าเอาตัวรอดนะคะใช่ใช่เราอาจจะดูอย่างภาพยนตร์ต่างๆเนี่ย สถานการณ์ที่มันแบบโอ้โหหน้าสิวหน้าขวานจะตายไม่ตายอะไรต่างๆเนี่ยหรือบางทีเขาชายถ่ายทําว่าคนตายเป็นเบื่อเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีคนรอดได้นะมันอาจะมีสักสองคนสามคนพระเอกหรือนางเอกมันรอดออกมาได้เงี้ยนะมันมันก็แสดงให้เห็นว่าเออไอโกกาตรอดมันก็ยังมีนะแต่ความตายเนี่ยคุณโยมติวร้อยเนะร้อย ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยอัตราการตายก็ยังร้อยเอซอยู่ดีนะไม่มียุคสมัยไหนที่อัตราการตายไม่ถึงร0 0เซเพราะเกิดมาทุกคนมันตายหมดคนไม่เคยล้นโลกสตินะีเนเพราะว่าทุกคนตายค่ะฉันเองฟังคุณหมอคนหนึ่งเข้ามาให้ความรู้โดยยกตัวอย่างว่าตัวเองทั้งที่เป็นหมอเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งหลายโรคแล้วก็มาค้นพบว่าพฤติกรรมที่เหมาะสมจะช่วยให้เรา อรอดพน้นจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็พูดว่าจริงๆแล้วมนุษย์ทุกวันนี้มีอายุน้อยกว่าที่ควรจะเป็นสมมติว่าอายุ90ปีนั น, นะคะได้ไ บ, บอกให้บวกไปอีก30มสิบปีอันนี้ก็ตรงกับพุทโพจน์ที่พระเาได้พูดถึงว่าคนสมัยปัจจุบันเนี่ยมีอายุประมาณร้อยปีมีอายุประมาณรนะ้อย ป, ปีซึ่งถ้าเรามาดูเฉลี่ยอายุเฉลี่ยในปัจจุบันนี้มันน้อยกว่าร100อยปีนะมันจะ10 80แต่และประเทศก็ไม่เท่ากันนะซึ่งตรงนี้เพราะเหตุอะไร แต่พระชจ้าก็ได้เคยตรัสถึงเหตุที่ทําให้มนุษย์อายุสั้นลงเนี่ยก็เนื่องจากว่าข้าวปลาอาหารมันมันมันไม่สมบูรณ์นะแก่สุกไม่เท่ากันทําให้ร่างกายมีทุพพลภาพการที่ข้าวปลาอาหารแก่สุกไม่เท่ากันก็เป็นเหตุมาจากนู่นเลยการที่มนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยอีกปัจจัยที่คุณหมอก็พูดถึงมั้งคือคุณหมอพูดว่าเราเนี่ยมันก็ไปรับรู้เรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่เป็นผิดเนี่ยอืม มันก็จะทําให้เป็นพิษแก่ร่างกายด้วยทําให้เกิดโรคภัยอย่างนั้นขึ้นมาอันนี้ถ้ามองเป็นทางธรรมเป็นไปได้ไหคะเกี่ยวเนื่องกันไหมคะการรับภาษาที่เป็นพิษเนี่ยทำให้มีเวทนานะัคือคือรับภาษาที่ไม่แน่พอใจหรือว่าเราไม่รู้จักการปล่อยวางพอเรามีเวทนากล้าเนี่ยจะเป็นเหตุให้อายุสั้นได้อันนี้มีข้อมูล เ, เกี่ยวข้องกันอยู่ เวทนากล้าแต่ที่นี้ถ้าแปลให้เข้าใจง่ายๆเป็นอย่างไรคะก็คือเหวี่ยงมากสุขก็สุกสุกสุกสุกนะทุก็ทุกทุกทุกทุกอย่างนี้เวทนาคือความรู้สึกขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยนะคะใช่ใช่แล้วคนที่จะอยุยืนเป็นยังไงก็ต้องมีเวทนาเบาบางนีมีเวทนาเบาบางอันนี้ก็จะอายุยืนค่ะดังนั้นทั้งหมดที่ท่านไปบูนพูดเนี่ยล้วนแล้วว่าแต่สิ่งที่พระศาสดาตรัสสอนเอาไว้ทั้งนั้นเลยใช่ปะก็ มาถึงตอนที่จะสรุปก่อนลาท่านว่าพระพุทธองค์เนี่ยก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากการที่จะประพฤติธรรมอย่างสม่ำเสมอสร้างกุศลจะได้ผ่าตัวรอดทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ต้องพบกับความตายที่อยู่เบื้องหน้าใช่ถ้าดิฉันสรุปอย่างนี้คือรอดอย่างไรคะรอดนะทั้งๆ ท, ท, ที่ตายเอ่อความตายนั้นจะไม่เป็นทุกข์กล่าวเราจะมีความผาสุกได้นะคะ ก็สรุปเอาไว้อย่างนี้กราบขอบพระคุณท่านไพบูรณ์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ ท, ที่มา<ป>ให้ธรรมะแก่เราค่ะเข<ป>มัค่ะท่านสท่านฟังที่ครบค่ะและนั่นก็คือพระมหาภพาบูรณ์อภิปุณโณจากวัดปารณหายโศอุดรธานีบางครั้งนี่กับวันนี้ที่ดิฉันทำรายการกับท่านเนี่ยนะคะท่านเกเน็ดเหนื่อยมาจากการที่จัดคอร์สปฏิบัติธรรมแล้วเราก็บันทึกเทปกันเมื่อท่านได้จัดงาน นั้นลุล่วงในแต่ละวันแต่ละวันเพื่อที่จะตื่นแต่เช้ามืดมาสอนกันต่อก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งแต่ท่านฟังคะเราในโชคดีอยู่กับบ้านหรือว่าเปิดฟังวิทยุขณะที่เราสบายสบายไม่ต้องไปยุ่งยาก มีพระมาสอนถึงที่นี่ก็ขอให้ตักตวงกันให้เต็มที่นะคะรายการนี้ชื่อรายการสันสนีสนทนาให้ธรรมะชนิดที่ว่าเท่าถึงว่าพระพุทธองนั้นตรัสไว้อย่างไรเพื่อที่จะได้ทําให้เราเดินทางถูกพอเดินทางถูกผลก็น่าที่จะเกิดขึ้นได้ถูกต้องขอเพียงแต่ให้ปฏิบัติตามก็แล้วกันนะคะพบกันใหม่กับรายการสันสนีสนทนาได้ทุกตีห้าถึงตีห้ครึ่งทางสถานีวิทยุครอบโรคราชเอฟเอ็มร้แห่งนี้ วันนี้พุทธวสวัสดีค่ะ